ธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคำพีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมธโรวัดอโศการาม2กันยายน2500เรื่อง วิราคาธรรมหนึ่งวันนี้เป็นวันธรรมสวนะพุทธบริษัท ต, ต่างก็มาประชุมกันเพื่อสดับพระธรรมโอวาทเหตุนั้นจึงจะได้เชิญพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงให้ฟังสักเรื่องหนึ่ง เพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมกาลังใจให้เกิดความมานะภาคเพียรในอันที่จะประกอบคุณงามความดีให้แก่ตนและสิ่งที่พวกเราปรารถนากันคือความสุขนั้นก็จะเกิดมีขึ้นสมตามความประสงค์ส่วนความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็จะได้อันตรธานหายไปเพราะคนเราทุกคนย่อมไม่มีใครชอบความทุก ต่างคนก็แสวงหาและต้องการแต่ความสุขแต่ความสุขของโลกที่เราได้รับกันอยู่นั้นก็ไม่ได้เป็นไปอย่างสมใจตามความปรารถนาของบุคคลเพราะสุขของโลกนั้นเมื่อให้ผลถึงที่สุดแล้วมันก็ย่อมกลับมาที่เดิมอีกเหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงทรงสอนให้พวกเราพากันแสวงหาความสุขในทางธรรม อันเป็นความสุขที่ถาวรไม่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น 2. บุคคลเรานี้โดยส่วนมากนับแต่พระราชามหากริย์ลงมาตลอดจนถึงเศรษฐีพ่อค้าขหาบดีและคนธรรมดาสามัญ ท, ทุกๆคนย่อมมีวาจาที่จะกล่าวให้ได้ยินกันอยู่เสมอก็เพียงสองคำเท่านั้นคือสบายดีครับเหลือทน ที่จะมีใครกล่าวเป็นนิดอยู่เสมอว่าสบายจริงหนอหรือสบายดีหนออย่างนี้ไม่ใครจะได้ยินจะมีอยู่บ้างก็สักสิเปอร์เซ็นต์ของคนทั้งโลกเหตุนั้นเราจึงควรจะสำเนียกดูในตัวเราว่าวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนั้นเรามีความสุขสบายว่างโปร่งโล่งใจจริงๆสักกี่นาทีสังเกต ด, ดูคนเรา ขณะที่ได้พบปะหรือสนทนาทักทายกันนั้นฝ่ายหนึ่งก็มักจะเอ่ยปฏิสันฐานขึ้นก่อนเป็นคำแรกว่าเป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็จะตอบไปตามความรู้สึกของตนของตนคนที่ไม่มีความสุขในใจเลยก็จะตอบว่าไม่ค่อยสบายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนคนที่สาคัญว่าตนมีความสุข ก็จะตอบว่าจะสบายดีแต่คําว่าสบายดีนี้เรื่องลึกลับซึ่งมีอยู่ในใจจริงของเขาไม่มีใครจะล่วงรู้ความทุกข์ความขัดข้องนั้นจะต้องมีอยู่ถึง 90% เอร์เซนในตัวคนเราที่จะเป็นความสุขสบายจริงนั้นมีน้อยเหลือเกินดังนั้นจึงย่อมจะเห็นได้ว่าความสุขในโลกนี้ไม่มีใครค่อยจะสมหวังเลย ถ้าสิ่งใดได้มาอย่างนึกคิดก็พอใจที่ดูกันแต่เผินๆก็ว่าดีแต่ถ้าจะดูยาวๆแล้วก็ไม่ดีอีก 3. ม, มีเรื่องนิทานเล่าว่าเศรษฐีสองคนสามีภริยาอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานานไม่มีบุตรทั้งสองคนก็ปรารบกกันว่าทำอย่างไรเราจึงจะได้บุตรชายสักคนหนึ่ง เพื่อไว้สืบสกุลถ้าหากว่าเรามีบุตรสมใจแล้วเราก็คงจะต้องมีความสุขอย่างยิ่งเพราะหนึ่งเวลาเราจะไปไหนไหนก็ไปได้ไม่ต้องเป็นห่วงบ้านเรือนและทรัพย์สินเงินทอง 2. เราจะได้ยกทรัพย์สมบัติมรดกที่มีอยู่ทั้งหมดให้แก่บุตรของเราและสเมื่อแก่เฒ่าชาราลงบุตรของเราก็จะได้มาดูแลกริบัติให้เรามีความสุข เมื่อมาวิจารณ์เช่นนี้แล้วเศดียีทั้งสองก็มีความปรารถนาในบุตรเป็นอย่างยิ่งจึงออกจากบ้านไปเที่ยวเส้นสวงบวงบนกับเทพพ ย, ายดาอารัก์เจ้าป่าเจ้าเขาลำเนาไพรต่างๆว่าข้าพเจ้าทั้งสองไม่มีบุตรชายจะสืบสกุลเลยขอให้ข้าพเจ้าได้มีบุตรสมใจสักคนหนึ่งเถิด 4. ีในกาลครั้งนั้นมีพระภิษุรูปหนึ่ง ได้มาอาศัยจเจริญสัมมาธรรมอยู่ในป่าวันหนึ่งนางเศรษฐีผู้ภริยาก็าออกจากบ้านไปเที่ยวสแสวงหาบุตรได้เดินผ่านไปพบพระภิกษุองค์นั้นนางจึงรงเข้าไปหาและเล่าความปรารถนาของตนให้ภิกษุนั้นฟังโดยตลอดภิกษุนั้นก็คิดแต่ในใจว่านางผู้นี้ยังไม่เคยประสบทุกข์จึงไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์ครั้นเราจะแสดงธรรม อธิบายให้เขาฟังเขาก็คงจะไม่ยอมเชื่อและไม่สนใจเพราะไม่มีพยานมาปรากฏให้ดูแต่ด้วยความเมตตาที่มีอยู่ในใจทิสุปนั้นก็ได้กล่าวธรรมะให้ฟังเพียงเล็กน้อยว่าสิ่งใดที่เป็นสุขสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นทุกข์เพราะกระแสของโลกย่อมเป็นอย่างนี้คือสิ่งใดที่ยังไม่ได้มาย่อมเป็นทุกข์และได้มาแล้วก็ยังเป็นทุกข์อีก ส่วนกระแสของธรรมมีแต่สุขอย่างเดียวย่อมไม่กลับไปกลับมาและจะได้หรือไม่ได้มาก็ไม่เป็นทุกข์ฉะนั้นนางควรจะบำเพ็ญบุญกุศลในทางธรรมให้มากจะดีกว่าถ้าปรารถนาจะได้บุตรก็อย่าไปเส้นสวงบวงบนเลยให้เจริญภาวนาในพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณวันละร้อยแปดครั้งแล้วแผ่กระแสจิตไปทางโลกนั่นแหละ สิ่งที่นางต้องการก็จะได้สมตามความปรารถนา 5. ต่อมานางเศรษฐีนั้นพอรู้สึกตัวว่าตนได้ตั้งคันขึ้นแล้วก็มีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่วันตั้งคันมาใบหน้าของนางก็ยิ้มแล่มอยู่เสมอผิวพรรณก็สดใสตลอดมาจนกระทั่งถึงวันคลอดและในที่สุดนางนั้นก็ได้บุตรเป็นชายคนหนึ่งสมความหวัง แต่พอคลอดบุตรออกมาแล้วใบหน้าที่เคยยิ้มแย้มเบิกบานอยู่เสมอตลอดทั้งวันนั้นก็หายไป 50% เพราะประเดี๋ยวลูกก็เจ็บเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเองก็ป่วยกระสอบกระแสดเรื่อยมาจะประกอบการงานอะไรก็ทำไม่ได้เหมือนแต่ก่อนทรัพย์สินเงินทองก็มีแต่เสียไปครั้นเมื่อบุตรโตขึ้นก็เริ่มผ่านทรัพย์สมบัติของบิดามารดาอีกจนในที่สุด เศรษฐีทั้งสองก็ยากจนลงจิตใจก็หมดความสุขกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับสองตายายก็น้าตาไหลอาบหน้าเพราะความทุกข์เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นเช่นนี้นางเศรษฐีก็นึกถึงพระพิจุองนั้นว่าเดี๋ยวนี้ท่านจะยังอยู่ในที่นั้นหรือเปล่าหนอเราจะไปหาท่านและเล่าความทุกข์ของเราให้ท่านฟังเพื่อท่านจะมีหนทางช่วยเราได้บ้าง คิดเช่นนั้นแล้วก็ออกจากบ้านเดินไปในป่าอย่างที่ซึ่งตนได้เคยไปก็ได้พบพระพิสษุองค์นั้นกําลังนั่งฉันอาหารอยู่นางก็ตรงเข้าไปกราบไหว้และนําอาหารที่ติดมือมาบ้างนั้นเข้าไปถวายพระพิสูจนั้นสังเกตเห็นนางมีหน้าตาเศร้าหมองผอมคล้ำปิดกว่าแต่ก่อนก็หัวเราะและถามว่าเมื่อก่อนนี้หน้าตาของเธอแจม่มใสเดี๋ยวนี้ เหตุใดสีสันวันณะจึงดูซูกซีดไปอย่างนี้ดูเหมือนเธอจะไม่มีความเบิกบานอะไรเลยนางก็ตอบว่าเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้ามีความปรารถนาว่าหนึ่งมีบุตรแล้วจะได้ไปวัดไปว่าได้ง่ายๆ่สองทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็จะยกให้แก่บุตรผู้เป็นทายาทสามเมื่อแก่ชาราลงบุตรก็จะได้มาปฏิบัติดูแลให้มีความสุขแต่บัดนี้ ก็หาสำเร็จดังที่ข้าพเจ้าปรารถนานั้นไม่มันกลับกลายเป็นมหันตทตุกใหญ่โตพระบุตรของข้าพเจ้านั้นตั้งแต่เริ่มเกิดมาก็ได้ก่อแต่ความทุกข์ยากให้อย่างเดียวซ้ำเมื่อเลี้ยงเขาเติบโตขึ้นมาแล้วคิดว่าจะได้พึ่งพาอาศัยบ้างเขาก็กลับไปคบหาสมาคมกับคนไม่ดีต่างๆทำให้ทรัพย์สินเงินทองหมดเปลืองเสียไปทุกวันเวลาในที่สุด ข้าพเจ้าสองคนก็เลยหมดปัญญาที่จะเลี้ยงดูเขาได้เพราะเขามีแต่จะนำความทุกข์ความเดือดร้อนชิบหายมาให้เท่านั้นขอท่านได้โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งสองให้พ้นจากความทุกขนี้ด้วยเถิดพระภิกษุองค์นั้นก็ตอบว่าเราเป็นผู้ทราบถึงเหตุนี้มานานแล้วแต่ไม่มีพยานให้ปรากฏก็ไม่สามารถจะชี้แจงให้เธอเชื่อและเห็นความจริงได้มาบันนี้ พยานก็ปรากฏขึ้นแก่ตัวเธอแล้วว่าสิ่งใดเป็นสุขสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นความทุกข์แล้วพิสูจองค์นั้นก็ได้แสดงธรรมให้นางเศรษฐีนั้นฟังว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเราปลูกต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งเมื่อมันมีผลออกมาผล น, นั้นก็ค่อยๆแก่ขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งสุกงอมแล้วในที่สุดก็จะหล่นลงมาอย่างพื้นดิน เมื่อตกลงมาแล้วมิช้ามันก็จะเน่าเหลวเละและก็จมลงในแผ่นดินนั้นเองฉันใดก็ดีสิ่งที่เธอปรารถนานั้นเมื่อไม่สําเร็จก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วก็ยังเป็นทุกข์อยู่ฉะนั้นจึงควรใฝ่ใจสแสวงหาความสุขในทางธรรมจะดีกว่านี้แหละจึงจะเป็นความสบายร่มเย็นและเป็นสุขตลอดกาลนานกล่าวคือจงชําระ อาสวะกิเลสที่มีอยู่ไม่ให้มาพอกภูนดวงจิตของตนแล้วผู้นั้นก็จะมีความสุข 6. ใจของคนเหล่านี้มีอยู่สองอย่างคือบางคราวก็เป็นบาปและบางคราวก็เป็นบุญถ้าเราไม่ล้างขัดตัดคลายซึ่งกิเลสความชั่วให้ออกไปเสียจากใจของเราได้แล้วบาปทั้งหลายก็จะรัดรึงตรึงตราอยู่ในดวงใจของผู้นั้นไม่เสื่อมคลาย หรือลดน้อยถอยลงได้เพราะของใดที่ยังมีเครื่องผส ม, มอยู่ของนั้นย่อมไม่ใช่ของดีต้องเป็นของที่ไม่มีสิ่งใดเป็นส่วนผส ม, มอยู่นั่นแหละจึงจะเป็นของดีของแท้เช่นทองหรือเงินที่ไม่มีสิ่งใดเจือปนนั้นที่เรียกว่าทองแท้เงินแท้จะมีราคาสูงในตัวของเรานี้ก็มีธาตุอยู่สองธาตุคือธาตุที่ผสม และธาตุที่ไม่ผสมตามที่ท่านกล่าวว่าสร้างคตังวาอะสร้างคตังวาธาตุที่มีส่วนผสมก็เป็นราคาธรรมธาตุที่ไม่มีส่วนผสมก็เป็นวิราคธรรมเหตุนั้นเราจะต้องพากันล้างขัดอัดคลายส่วนที่ผสมออกเสียให้หมดนั่นแหละจึงจะเป็นวิราคาธรรมได้ 7. ร่างกายของคนเหล่านี้ก็เปรียบเหมือนภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งมีธาตุอยู่หลายชนิดคือแร่ธาตุทองธาตุเงินและเพชรก็ย่อมฝังอยู่ในก้อนหินนั้นเรียกว่าอสังคตะธาตุอย่างหนึ่งและส่วนต้นไม้บ้างดินบ้างหินบ้างเหล่านี้ก็เป็นสังคตะธาตุซึ่งเป็นที่อาศัยของคนและสัตว์ต่างๆเช่นฝูงลิงข้างช้างเสือเหล่านี้เป็นต้นส่วนแร่ธาตุทองเงินนั้น ย่อมไม่ใช่เป็นที่อาศัยแห่งสัตว์เหล่านี้เหตุนั้นถ้าพวกเราเหล่าพุทธบริษัททําตัวให้เป็นลิงเป็นข้างเป็นช้างเป็นเสือเหล่านี้แล้วเราทั้งหลายก็จะได้พบเห็นแต่ต้นไม้ใบหญ้าและก้อนดินก้อนหินเท่านั้นจะไม่มีโอกาสพบกับแร่าธาตุเงินทองซึ่งเป็นของมีค่าเลยเหตุนั้นจงอย่าทําตนของตนให้เป็นเหมือนลิงเหมือนข้าง ที่ว่าเป็นลิงเป็นข้างนั้นก็คือทำอะไรจับจับจดจดไม่เป็นหลักเป็นแหล่งแต่อยู่ไหนก็ไม่แน่นอนจะกินที่ไหนก็ไม่เป็นที่เป็นทางซัดเซพเนจรไปตามเรื่องตามเราเที่ยวห้อยโหนโยนตัวไปในที่ต่างๆนี้ก็ได้แก่ใจของคนเราที่ไม่มีหลักไม่มีสมาธิเที่ยวคิดซอกแซกไปในเรื่องราวอดีตอนาคตและสัญญาอารมณ์ต่างๆไม่มีเวลา หยุดลิงอยู่กับที่ได้นี่เป็นลักษณะของพวกลิงพวกข้างไม่ทำตัวให้เหมือนกับเสือก็คือเสือโคร่งนั้นลักษณะของมันมีความเยี่ยมโหดดุร้ายได้แก่ความโกรธของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในดวงจิตแล้วก็ย่อมจะแผลงฤทธิ์ออกมาเป็นเหตุให้โกรเสียซึ่งความดีของตนส่วนช้างนั้นลักษณะของมันก็ได้แก่บุคคลผู้ชอบฟังแต่คาสรรเสริญเยินยอ ไม่ชอบคำตำหนิตีเตียนเวลาทําชั่วถูกเขาติก็โกรธไม่ชอบใจเวลาทําดีเขาชมเข้านิดก็แก้มตุยนี่แหละเป็นลักษณะของช้างฉะนั้นถ้าเราพากันกําจัดลิงข้างช้างเสือเหล่านี้เสียได้แล้วเราก็จะเป็นผู้เป็นคนขึ้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าภูเขาลูกนั้นถ้าเราต้องการของสูงสูงเราก็จะได้ของสูง ถ้าเราปรารถนาของต่ำๆเราก็จะได้ของต่ำแล้วเราก็จะได้ขนสมบัติต่างๆจากภูเขาลูกนั้นได้มากมายเช่นแผ่นดินเราก็จะปราบเสียให้ราบทําเป็นไร่เป็นนาก้อนหินเราก็จะนํามาสกัดและถลุงให้กลายเป็นเงินเป็นทองส่วนต้นไม้เราก็จะฟันให้เป็นฟืนหรือเผาเป็นถ่านหุงข้าวหรือจะใช้ทําเป็นไม้เป็นเสาปลูกบ้านปลูกเรือนอยู่ก็ได้ ประโยชน์ทั้งหลายนี้เราก็จะได้มาจากภูเขาลูกนั้นเป็นอันมากโดยอาศัยที่เราจะต้องมีความภาคเพียรพยายามถ้าเราต้องการแร่เงินแร่ทองเราก็จะต้องทำการถลุงขึ้นคือนำหินมาเผาไฟแล้วแยกธาตุดูว่าส่วนใดที่เป็นส่วนผสมสังคตะธาตุก็จัดไว้ธาตุหนึ่งส่วนใดที่ไม่ใช่ของผสมอสังคตะธาตุก็จัดไว้ธาตุหนึ่ง ต้องอาศัยการถลุงอย่างนี้คือ 1. เราต้องมีเตาใหญ่ 2. มีพื้นที่แน่นหนาเป็นสถานที่สมเผา 3. มีไฟเราต้องมีเครื่องมือทั้งสามสิ่งนี้จึงจะสามารถถลุงแร่นั้นๆออกจากก้อนหินได้ข้อที่หนึ่งเราต้องพากันหาปืนมาให้มากๆสำหรับมาสมแร่ก็ได้แก่การเสียสละวัตถุต่างๆทั้งภายนอกและภายในที่เรียกว่า าะข้อ 2. สถานที่ที่จะก่อเตาสมก็ต้องให้มีพื้นแน่นหนาและหลังคาไม่รั่วได้แก่วิริยะความภาคเพียนกล้าหาร 3. เมื่อหาสถานที่ตั้งเตาได้แล้วเราก็ก่อไฟขึ้นคือตะปะแร่ธาตุต่างๆและก้อนหินคือร่างกายนี้ก็จะละลายออกเป็นส่วนๆตามธาตุของมันเพราะธรรมชาติ เงินทองตะกัวก็ดีเมื่อเผาแล้วมันก็จะแยกจากกันเองส่วนใดเป็นธาตุชนิดใดมันก็ย่อมจะแสดงให้ปรากฏออกมาตามชนิดของมันร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ถูกความเพ่งเล็งและแผดเผาแห่งจิตมากๆแล้วมันก็จะแสดงให้ปรากฏทั้งส่วนธาตุแท้และธาตุผสมแต่นักธรรมะของเราทุกวันนี้ไม่ได้ทันจะทําการทะลุ ก็พากันไปแสดงเสียเองนึกเอาเองแยกเอาเองเครื่องมือในการถลุงของตนก็ไม่มีสักอย่างฟืนก็ไม่มีเตาก็ไม่มีไฟก็ไม่มีพื้นก็ยุบหลังคาก็รั่วแล้วจะนําอะไรไปถลุงเช่นเขาว่าโลกุตระต้องมีอย่างนั้นอย่างนั้นวิปัสสนาต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้โสดาก็ต้องละอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อละได้แล้ว จึงจะไปถึงขั้นนั้นๆสติทาคาอนาคาและอรหันต์ก็ต้องละได้อย่างนั้นอย่างนั้นฌานหนึ่งฌานสองฌานสาและฌานสี่ต้องทําได้อย่างนั้นอย่างนั้นตัวเองก็ไปแยกเอาเสียเองหมดแต่แยกเท่าไรมันก็ไม่ออกเพราะตัวเองไม่มีฟืนไม่มีเตาและไม่มีไฟเลยความสําเร็จจะเกิดมาได้แต่ไหนความสําเร็จนั้น ไม่ได้เกิดจากความคิดนึกเกิดจากคุณสมบัติของตัวเราเองต่างหากเราอย่าไปแยกมันเสียเองเหมือนคนที่เห็นเขาถือหรือแบกก้อนหินก้อนโตๆไปบ้านก็คิดว่าคนที่ทําอย่างนั้นช่างโง่จริงหนักก็หนักแล้วจะไปได้อะไรในหินก้อนนั้นครั้นแล้วตัวเองก็ถือจอบถือเสียมตรงไปที่ภูเขาเพื่อจะขุดเอาเฉพาะแต่ก้อนเพชรก้อนทองและก้อนเงิน ที่เป็นของเบาๆและก้อนเล็กๆห่อไปบ้านแต่ในที่สุดก็คว้าน้ำเหลวไม่ได้อะไรติดมือไปเลยเพระาะธาตุเหล่านี้มันติดแน่นกันอยู่ในภูเขาจะใช้แต่จอบกับเสียมไปขูดเอาเฉยๆมันก็ย่อมจะไม่หลุดออกมาได้ส่วนคนโง่นั้นพอแบกก้อนหินไปถึงบ้านก็ลงมือหาพื้นที่หาเตามาตั้งหาฟืนมาสมแล้วก็ก่อไฟขึ้น ยกก้อนหินนั้นโยนเข้าไปในไฟเมื่อหินถูกความร้อนจัดๆเข้าพวกแร่ธาตุต่างๆที่ติดอยู่ในหินก้อนละลายตัวแยกออกมาเป็นส่วนๆที่เป็นเงินก็ไปรวมอยู่กับพวกเงินที่เป็นทองก็ไปรวมอยู่กับพวกทองที่เป็นตะกัว่วดีบุกหรือเพชรก็แยกไปอยู่คนละส่วนละส่วนไม่ปะปนกันคนโง่นั้นก็เลือกเอาแร่เงินทองเพชร ไปได้สมตามความประสงค์ส่วนคนที่สำคัญตนว่าฉลาดมีความรู้ดีว่าอันนั้นเป็นอันนี้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นทำถึงขั้นนั้นแล้วจะไปถึงขั้นโน้นสมาธิเป็นอย่างนั้นวิปัสสนาเป็นอย่างนี้โลกุตระเป็นอย่างนั้นผลสุดท้ายก็ได้กินแต่น้ำลายของตัวเองทั้งเรื่องไม่ได้สมบัติอะไรไปสักชิ้นสักอันส่วนคนที่คิดว่าตนโง่นั้นเมื่อไปพบเห็นอะไรเข้า ก็คบไปคิดไปขุดไปจนเกิดปัญญาขึ้นเช่นเมื่อเราต้องการความสุขก็ต้องพากันสร้างเหตุขึ้นคือหนึ่งหาฟืนมามากๆได้แก่การยอมเสียสละรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมารมณ์ซึ่งมีอยู่ในตัวเรานี้อย่างหนึ่งและวัตถุต่างๆที่เป็นของภายนอกอย่างหนึ่งด้วยการบำเพ็ญทานศีลและภาวนาเมื่อทาได้ดังนี้ ก็จะเป็นการแผดเผากิเลสของตนเองให้หมดไปเรียกว่าจาขะบารมีจาขะบารมีนี้ก็จะต้องเป็นฟืนย่างกิเลสอย่างดี 2. หาเต่ามาสำหรับสุ่มนั้นก็ได้แก่วิรยะความภาคเพียรคือเราก็เสียสละร่างกายของเรามาเจริญกรรมฐานมาทำความเพียร น, นั่งสมาธิภาวนาลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมและพระสง ทำดวงจิตของตนให้เยือกเย็นนี้แหละเป็นการสร้างเตาแล้วเราก็พากันสูบลมหายใจเข้าไปเถิดให้เหมือนกับที่เขาสูบเตาหลอมทองหล่อพระอย่างนั้นแล้วเราก็ทําใจให้แน่วแน่มีสติสัมปชัญญะกากับอยู่เสมอตปะธรรมของเราก็จะแก่ขึ้นแก่ขึ้นและเมื่อสูบบ่อยๆเข้าก็จะต้องเกิดแสงสว่างเมื่อเราก่อเตาขึ้นแล้วเรา จะต้องสู่ลมให้สม่ำเสมออยู่เป็นนิดรวมก้อนกายใจทั้งหมดให้เป็นก้อนเดียวกันอย่าไปทุกข์อย่าไปต่อยอะไรอะไรทั้งหมดจะเป็นลักษณะของคนโง่เมื่อเราเป่าไฟให้แรงมากๆเข้าแล้วท่าต่างๆมันย่อมจะละลายตัวออกมาเองในการปฏิบัติธรรมนั้นมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันไม่ต้องไปจัดแจงหรือตกแต่งให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เมื่อเราสมไฟได้แรงเต็มที่แล้วสนิมต่างๆคือมลทินก็จะหลุดไปเหลือแต่ก้อนแร่ซึ่งเป็นธาตุแท้ก้อนหินที่ไปติดอยู่ในก้อนแร่คือนิวรณ์ต่างๆก็จะหลุดออกไปจากใจของเราถ้าเตาของเราก็ทะลุไฟก็แลบเพราะการแผดเผาของเราอ่อนเราก็จะไม่สามารถถลุงขี้สนิมเหล่านี้ให้ออกไปจากใจได้ฉะนั้นเราจึงควรทําตัว ให้เหมือนกับคนเผาถ่าน 3. หาไฟคือเมื่อเขาก่อเตาขึ้นแล้วเขาก็ลงมือสมไฟแล้วก็ปิดเตาเสียเพื่อไม่ให้ความร้อนกระจายออกไปข้างนอกได้ได้แก่การปิดอายตนะเหลือแต่ช่องนมเปิดไว้นิดเดียวคือจมูกเมื่อปิดเตาเสียหมดเช่นนี้แล้วต้นไม้ที่เราส่งเข้าเผาในเตานั้นก็ไม่มีอาการฝึกร้อหรือเป็นขี้เท่า เมื่อเปิดเตาออกก็จะกลายเป็นฐานอย่างดีฉันใดตัวเราก็เช่นเดียวกันเมื่อดวงใจจำคำภาวนาได้แล้วดวงใจก็จะไม่ลืมไม่เผลอการปิดเตาก็เท่ากับเราปิดสัญญาต่างๆที่จะเข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจการเสียซึ่งนิวรณธรรมทั้งหลายดวงใจก็ไม่ให้แลบออกไปรับสัญญาอารมณ์ภายนอก เมื่อกิดเสียเช่นนี้ไฟฐานของเราที่เผาไว้ก็จะคุกรุนอยู่ในเตาพอได้เวลาสมควรแล้วเราก็จะเปิดออกฝืนนั้นก็จะไม่เป็นขี้เท่าเลยจะกลายเป็นฐานที่แกล่งดีมีคุณภาพสูงกว่าฟืนธรรมดานี้แหละเรียกว่าเราหาไฟมาสมคือการบำเพ็ญตะปะฐานก็คือความเป็นแก่นสารร่างกายของเราก็จะไม่มีขี้เท่ามีคุณภาพสูง บาบทางตาหูจมูกลิ้นกายไก่ก็จะสูญบุญก็จะเกิดมาแทนที่ความดีนั้นก็จะเปรียบเหมือนกับฐานไฟที่จะนําไปใช้ถลุงแร่ได้ต่อไปธาตุของเราก็จะมีกําลังสามารถแยกตัวของมันเองให้เป็นสังฆตะธาตุและอสังฆตาธาตุมีความเข้มแข็งต่อไปทีนี้ก็หันไปทางดวงจิตของเราบังคับดวงจิตให้สงบ บำเพ็ญฌานสี่ให้เกิดขึ้นอกุศลซึ่งเป็นก้อนหินอยู่ก็จะแตกออกกามมะชันทะก็แตกพยาปาทะถีนามิทะอุทธัจจกอุกกุจจะและวิจีกิจฉาก็แตกออกแยกออกไปซีกหนึ่งดวงจิตก็จะดูดดื่มไปในฌานมีวิตกวิจารณ์กำกับอยู่เท่านี้ก็จะเป็นวิปัสสนาเราก็จะทราบว่าอันนี้แหละเป็นเพชรเป็นทองส่วนแร่เงินคือ ปิติอิ่มกายอิ่มใจสุขก็คือมีความสุขเกิดขึ้นภายในซึ่งเปรียบเหมือนกับแพร่ทองคําเมื่อมีความสุขแล้วความวุ่นวายก็จะไม่ปรากฏเหมือนกับแสงตะเกียงที่ไม่มีลมพัดก็จะเป็นธรรมโมปดีโปหรือปัญญาปโชโตคือวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นก็จะแลเห็นแก้วสามประการคือพุทธธรรมะและสังฆะก็จะเกิดในบุคคลผู้นั้น มีสมบัติเกิดขึ้นในดวงใจนี่ก็เปรียบเหมือนการสร้างปืนเตาแล้วนำก้อนฐานไปถลุงหินหินนั้นก็จะแตกแยกออกเป็นอสังกะตะธาตุวิปัสนาญาณเป็นไฟที่ใช้สุมการแยกคาดอย่างนี้ต้องแยกด้วยวิปัสนากรรมฐานจึงจะเป็นประโยชน์ได้ตามที่ต้องการอย่าไปแยกเอาเองอันใดควรเป็นแสงเป็นเท่าเป็นฐานหรือเป็นควัน มันก็เป็นของมันเองถ้าเราจะคาจัดสังคตะธาตุออกจากตนก็ต้องทําอย่างนี้ส่วนที่เป็นอสังคตะธาตุก็จะแยกไปซีกหนึ่งส่วนที่เป็นสังคตะธาตุก็ไปซีกหนึ่งบุคคลนั้นจึงจะได้เห็นของจริงแท้แต่ส่วนใดจะดีหรือชั่วก็ต้องอาศัยมีปัญญาอีกถ้าประยึดของดีเข้าก็เกิดโทษหรือไปยึดส่วนชั่วเข้าก็ผิด ธรรมเทศนาของพระสุทิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมมโรวัดอโศการามเก้ากันยายนสอง0ันห้าเรื่องอุ ป, ปาทานขัน วันนี้จะได้นำธรรมะซึ่งเป็นโอวาทานุศาสนีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องอุปาทานขันอันเป็นเรื่องที่เกิดแห่งความทุกข์ทั้งหลายมาบรรยายให้ฟังสักหนึ่งข้อพอเป็นเครื่องบำรุงปรุงแต่งดวงจิตให้สําเร็จผลในสันติสุขตามความปรารถนาเหตุนั้นจึงขอให้พากันตั้งใจสดับกรับฟังด้วยดี เพื่อจะได้เกิดเป็นบุญกุศลแก่ตนของตนสืบไปเพราะการตั้งใจฟังธรรมะนี้ย่อมจะอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ฟังได้เป็นสามประการคือ 1. ทําทำให้เกิดความรู้ 2. ทํทำให้เข้าใจในเรื่องราวต่างๆของตนและ 3. ทํทำให้เกิดความเย็นใจเหมือนกับต้นไม้ที่ได้ฝนฉะนั้นธรรมะท่านเปรียบเหมือนกับฝน คนฟังนั้นเปรียบเหมือนต้นหญ้าหรือเถาวันขณะใดที่มีฝนตกลงมาลำต้นของมันก็จะแข็งแรงสดชื่นตั้งตรงไม่โอนเอียงไปมายังความสดสวยสง่าให้แก่ต้นไม้นั้นการตั้งใจฟังจึงเรียกว่าเป็นบุญกุศลอย่างนี้การฟังนั้นถึงแม้ธรรมะเบื้องสูงจะยังไม่เกิดขึ้นในดวงจิต ก็จะยังความโสพลให้บังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นคือเมื่อฟังนานๆเข้าความเจริญก็จะเกิดขึ้นในจิตใจเหมือนต้นไม้ที่ได้ฝนบ่อยๆก็ย่อมจะงอกงามแผ่กิ่งก้านสาขาเกิดดอกออกผลยังประโยชน์ให้สำเร็จได้หลายด้านหลายมุมบุญกุศลที่เกิดขึ้นแก่บุคคลก็ย่อมจะยังความสง่า่าเผย แผ่ขยายออกไปปกคลุมถึงลูกหลานเหลน้ย ต, ต่อไปใช่แต่เท่านั้นยังจะเกิดดอกออกผลตามออกมาอีกและดอกนี้ก็ยังให้ประโยชน์ต่อไปคือได้เป็นที่อาศัยแห่งมแมลงพึ่งและมแมลงอื่นๆที่จะมาดูดกินซึ่งรสน้ำหวานในเกสรของมันนั้นอีกด้วยผู้มีปัญญาเมื่อน้อมระลึกนึกไปถึงความดี ก็ย่อมจะยังความสำเร็จให้เกิดแก่ตนได้เหมือนช่อมะม่วงที่นอกจากจะให้น้ำหวานแก่มแมลงพึ่งแล้วก็ยังเป็นอาหารของคนได้อีกคือสำเร็จเป็นอาหารก็ได้สำเร็จเป็นผลก็ได้และเมื่อเหลือกินแล้วก็ยังมเมล็ดไวสืบพันธุ์ปลูกเป็นต้นต่อออกไปได้อีกมากมายบุญกุศลก็ย่อมขยายตัวได้อย่างนี้ถ้าใครมองเผินๆแล้ว ก็จะไม่แลเห็นแต่ถ้ามองให้ลึกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้บุญกุศลนั้นใช่แต่จะยังประโยชน์ปกคลุมแต่ตัวคนเดียวก็หาไม่ยังสามารถเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองและาศาสนาได้อีกมากมายไม่ต้องดูอื่นไกลจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นเสือ ก, กจันทบุรีนี้เดิมทีพวกชาวพื้นบ้านพื้นเมือง ก็ทอกันไว้ใช้เองภายในครอบครัวไม่กี่หลังคาเรือนบ้านหนึ่งหนึ่งก็มีกันพอใช้สำหรับปูนั่งปูนอนต่อมาก็เกิดนิยมกันแพร่หลายมากขึ้นการทอเสือ่อก็ขยายตัวจากหมู่บ้านออกมาเป็นตำบลอําเภอจังหวัดและส่งไปขายตามท้องตลาดทั่วไปเกือบทั่วประเทศไทยจนเวลานี้ใครๆก็รู้จักว่าเสือกบจันทบุรี มีฝีมือละเอียดประณีตและมีคุณภาพดีอย่างไรนี่แหละจึงแสดงให้เห็นว่าบุญทั้งหลายเมื่อได้สะสมอยู่เสมอเสมอก็ย่อมจะได้ผลมากเหมือนคนที่ทำไร่ทานานั้นแรกๆ ก, ก, ก็คิดทำกันเล็กๆน้อยๆเพียงอาศัยเลี้ยงชีวิตภายในครอบครัวของตนเองเท่านั้นแต่ในที่สุดทำไปทาไปก็ขยายตัวมากขึ้นทุกทีทุกที จนกลายเป็นสินค้าสำคัญส่งออกไปขายนอกประเทศได้เป็นกระดูกสันหลังของประเทศไทยและนำเกียรติมาให้แก่ประเทศชาติของตนอีกด้วยเมื่อของของเรามีมากจนเหลือกินเหลือใช้ภายในบ้านแล้วใครมาซื้อเราก็ขายใครมาขอเราก็ให้เมื่อเป็นดังนี้ก็ย่อมจะเป็นเครื่องเยียวยาสมานมิตรสหายให้มีความรักใคร่สามัคคีกัน คนที่จะเป็นศัตรูกับเราก็ไม่มีการแย่งชิงวิ่งราวฟันแทงกันก็จะไม่มีถ้าการตรหณีหวงแหนเกิดขึ้นก็ย่อมเป็นเหตุให้ฆ่าฟันกันได้เหตุนั้นเราจึงควรจะสนใจในเรื่องบุญกุศลนี้ให้มากคิดดูว่าผู้เขาทั้งลูกเขายังทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้แต่ทำบุญกุศลใส่ตัวคนเดียวเท่านี้ทาไมเราจะทาไม่ได้ คนที่อบรมดวงจิตบ่อยๆใจก็จะกล้าขึ้นเป็นตะปะใช้เป็นเครื่องหุงต้มเผาย่างอาหารให้สุกได้ไม่ต้องมานั่งกินของดิบให้เกิดโทษเมื่อคนเราได้กินของที่สุกแล้วก็ย่อมจะเป็นสุขการอบรมจิตนี้เมื่อมันทําอยู่เสมอๆนานๆเข้าก็จะกลายเป็นนิสัยสืบเนื่องทําให้เป็นคนนิสัยบางคือ พอแลเห็นแสงสว่างเพียงเงาๆถ้าทำมากเข้าก็จะได้แสงมาใช้อาศัยทำความดีคือเผาศัตรูหมู่มานคือกิเลสให้เป็นเท่าทานจนกลายเป็นปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ของตนให้งามได้นี้ฉันใดสิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามหลักต่อคือหมู่มานนั้นเราก็จะได้เผาเสียจะได้ไม่มารบกวนดวงใจของเราให้เสียไปและเมื่อเผาแล้ว มันก็จะกลายเป็นปุ๋ยมาเพิ่มภูบ ร, รมีของตนให้แก่กล้าคราวนี้เราก็พอได้ร่ํารวยกับเขาขึ้นละ่ะและก็พอจะได้กินของสุกๆกับเขาบ้างคนที่มีปัญญาชื่อว่าผู้มีไฟคือเมื่อมีปัญญาแล้วเราก็จะมาพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้ถูกต้องได้เพราะคนเราบางคนทําชั่วแต่ถูกเขาชมก็มีบางคนทําดี แต่ถูกเขาติก็มีเหตุการณ์อย่างนี้ย่อมเกิดมีแก่บุคคลในโลกแทบทุกคนถ้าใครไม่มีไฟคือปัญญาแล้วคนนั้นก็จะต้องกลายเป็นคนที่กินของดิบเช่นกินเป็ดกินไก่เข้าไปทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งขนทั้งกระดูกถ้าใครมีปัญญาพิจารณาในตนแล้วความจริงก็ย่อมจะสำเร็จอยู่ในใจของตนคนเดียวเท่านั้นเมื่อปลงใจได้เช่นนี้ ก็จะละวางสิ่งต่างๆทั้งหลายได้ว่าเราจะดีเพราะคำสรรเสริญของเขาก็หาไม่หรือเขาว่าติเตียนเราเราก็ไม่ได้เลวไปตามเขาว่าเมื่อเป็นเช่นนี้การวอกแวกในการเดินทางการปฏิบัติธรรมของเราก็จะไม่มีนี่แหละถึงจะเป็นของที่ไม่ดีแต่เรานำมาเผาเสียก็จะกลายเป็นปุ๋ยไปได้คนที่ไม่มีไฟจะเผานั้น การเดินทางของเขาก็ย่อมไม่สามารถจะถึงจุดที่หมายได้ไปไปมามาก็วกๆอวนวนเคยหาดเคยแห้งอยู่นั่นเองไฟเป็นเครื่องช่วยในการหุงต้มอาหารอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งช่วยให้เกิดแสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนนี้ฉันใดคนที่มาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในตนแล้วก็ย่อมจะพ้นจากบาป และก้าวไปสู่กระแสะแห่งวิมุตติธรรมได้คือความปล่อยวางเป็นเหตุฉะนั้นบัทนี้จะได้อธิบายในการยึดถือขันห้าอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ต่อไปมีใจความย่อๆดังนี้อุปาทานนั้นเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่ก่อภพก่อชาติไม่ปลอดภัยสิ่งใดที่ปรากฏตัวเป็นรูปร่างสิ่งนั้น ย่อมยังความทุกข์ให้เกิดขึ้นเหมือนบุคคลที่มีเงินปรากฏให้คนเห็นก็ย่อมจะต้องมีขโมยมาแย่งชิงวิ่งราวเมื่อมีเงินแล้วเขาจะเห็นก็กลัวเขาไม่เห็นก็กลัวนี้ฉันใดผู้ที่ยึดถือว่าขันท่าเป็นตัวตนอยู่ในโลกนี้ก็ทุกข์ตายไปโลกหน้าก็ทุกข์อันการยึดถือของคนเรานั้นมีอยู่ถึงสามชนิดหรือสามการคืออดีตอนาคต และปัจจุบันในการหนึ่งหนึ่งนั้นก็มีขันอยู่การละห้าขันฉะนั้นคนคนหนึ่งจึงมีขันกันคนละสิบห้าขันก็เมื่อคนเราแบกขันกันไว้มากเช่นนี้ก็ย่อมเกิดทุกข์คือข้างหน้าก็คิดไปว่าถ้าตัวเรานี้อยู่ไปจนอายุถึงห0สิบเ็ดสิบปดสิบปีแล้วเราจะเป็นอย่างไรหนอหรือ ถ้าเราจนกรอบลงไปในวันข้างหน้าแล้วเราจะทำอย่างไรดีคิดอย่างนี้แล้วก็วิตกวิจารไปต่างๆนาน า, นาคิดไปดีก็เป็นอิทธารณ์คิดไปไม่ดีก็เป็นอนิธารมบางคนที่คิดไปในทางที่ไม่ดีมากๆเข้าก็เกิดความทุกข์ท้อใจเศร้าใจไม่มีความสุขเพราะตนนั้นไปยึดเอาในสัญญาอารมณ์ของตนเข้าไว้นี่ก็เรียกว่า เรามีก้อนหินหนักๆถึงห้าก้อนวางไว้ข้างหน้าแล้วก็วกไปถึงข้างหลังอีกว่าลูกหลานเหลนของเรานี้ถ้าเราตายไปแล้วเขาจะเป็นอย่างไรหนออีกอย่างหนึ่งก็คิดว่าถ้าเราตายไปเราก็จะแบ่งสมบัติให้แก่ลูกหลานของเราให้เขาปกครองแทนตัวเราแล้วเขาก็จะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นหลักฐานต่อไปแต่ลูกหลานของเรามันก็เป็นคนโง่ ถ้าเราให้ทรัพย์สมบัติไปแล้วมันก็จะไปเล่นการพนันทิบหายหมดแล้วเราจะทําอย่างไรคิดเช่นนี้แล้วก็เกิดความท้อใจขึ้นบางคราวก็คิดถึงความดีของตนของลูกของหลานว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็สบายใจเป็นอิทธารมณ์ขึ้นนี่ก็เป็นหินหนักๆอีกห้าก้อนตกลงรวมเป็นหินข้างหน้าห้าก้อนข้างหลังห้าก้อน แล้วก็ปัจจุบันอีกห้าก้อนมือขวาก็ยึดรูปมือซ้ายก็ยึดนามเข้าไว้ถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่านี้ว่าเป็นของของตัวมือขวาก็หิว้วมือซ้ายก็หิว้วอุปาทานก็หาบอยู่บนไหลคราวนี้ก็พากันหาบไปหาบไปเถอะไม่ละไม่วางก็จะมีแต่ความทุกข์เมื่อทุกข์แล้วก็ไปยึดทุกข์นั้นเข้าอีก ก็เลยลำบากทั้งกายทั้งใจทั้งหิว้วทั้งหาบจนหน้านิ้วไหลเอียงเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสงสารทรงสอนให้เราสละละวางเสียให้เป็นจาโคปตินิสัตโกใครไม่วางไม่คานออกากไกลคนนั้นก็เดินไปไม่รอดถ้าวางสัญญาข้างหน้าข้างหลังเสียก่อนก็พอค่อยเบาลงมีแต่มือหิ้วไว้สองข้างก็ยังพอไปได้ นี่แหละถ้าผู้ใดไม่มาบำเพ็ญสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบจากนิวรณ์ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่ายังหาบอยู่เพราะไม่ได้ปลดปล่อยสัญญาอาดีตอนาคตอันใดเลยสัญญาเหล่านี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปนึกถึงมันเช่นเรื่องของตัวเราเองก็ดีเรื่องของลูกเต้าหลานเหลนก็ดีหรือทรัพย์สมบัติอันใดก็ดี ในเวลาที่มาทำความสงบนี้เราจะต้องไม่นึกคิดถึงอะไรทั้งหมดตั้งใจนั่งนิ่งตัวตรงมองดูปัจจุบันอย่างเดียวคือลมหายใจแล้วแสงสว่างก็จะปรากฏขึ้นถึงมือซ้ายขวาแต่ยังยึดรูปนามอยู่ก็ยังตัดภาระส่วนใหญ่สองข้างบนไหลเสียได้ส่วนรูปที่มันยังหนักตื้อยอยู่นั้นก็เพราะพยามัจุราชเขาคอยนายาพิษ มาโปรยสายให้เราเช่นตาที่แรกมันก็ใสบองอะไรแจ่มกระจ่างดีต่อมาพอพญามัจจุราชเขานำยาพิษมาโรยใสย่ก็ทำให้ตาของเรามืดฟางไปบางทีก็เป็นต้อมืดไปบ้างคราวนี้เราก็ต้องวิ่งไปหาหมอตรวจวัดสายตาหาแว่นใส่หายาใสา่ลอกตาวักลูกตาเปลี่ยนแก้วตา มันก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาทุกอย่างทีนี้ลูกตานิดเดียวมันก็จะหนักขึ้นมาเท่ากัมปั้นหูของเราทีแรกก็ได้ยินเสียงอะไรดีๆต่อมาพยามัจจุราชเขาก็นําเอายาพิษมาโรยใส่ให้อีกทําให้หูอื้อหูตึงใครจะพูดว่าอะไรก็ไม่ใครได้ยินฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็อึดอัดรําคาญ บางทีเขาพูดไม่ดีฟังเป็นดีพูดดีฟังเป็นไม่ดีฟังผิดฟังถูกก็เลยเกิดเป็นปากเป็นเสียงทะเลาะวิวาทกันขึ้นจมูกก็เหมือนกันเมื่อแรกแรกมันก็ดีต่อมามัจจุราชเขาก็มาโรยยาพิษให้อีกทำให้เกิดเป็นโรคเนื้อ ง, งอกฤิ์สีดวงขึ้นมาต้องวิ่งหายานัมาดมหายารมยาสูบไปหาหมอจี้ไฟฟ้าบ้างจมูก ก็เลยกลายมีกลิ่นเหม็นเสียรูปเสียทรงผิดปกติลิ้นกายใจก็มีแต่ความทุกข์เข้ามาทับถมเช่นเดียวกันเหตุนี้ท่านจึงว่ารูปังอนิจจังรูปทั้งหลายมันไม่มีความยุติธรรมสม่ำเสมอเมื่อคิดแล้วก็เล่าร้อนใจตนจะดูเนื้อหนังก็เหี่ยวย่นหลังคดหลังโกงเมื่อแก่เข้าอย่างนี้ก็เป็นภาระหนักใจตนเอง ทั้งยังหนักลูกศานหนักเงินหนักทองหนักทรัพย์สมบัติสิ่งของที่เยวยาถ้าเราไปยึดของที่ไม่เที่ยงมาเป็นของของตนเราก็จะต้องเดินไม่เที่ยงไปด้วยคนเหล่านั้นมักจะยึดในวัตถุการเสียโดยมากคือยึดว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นดีเป็นชั่วบางคราวก็ยึดถือนามว่าเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นของของตัวนี่แหละจึงเรียกว่ายู่ไว้ทั้งสองมือแต่ก็ยังดีกว่าหาบเพราะมีแต่ที่มือเราก็ยังพอจะนั่งนอนถือได้แต่ถ้ามีหาบวางอยู่บนไหล่แล้วเราจะนั่งก็นั่งไม่ได้ได้แต่ยืนท่าเดียวเหตุนี้เราจึงควรมาทำความสงบใจเสียคือ พาการเจริญสมาธิภาวนาทำดวงจิตให้สงบเป็นสมะถะแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นเมื่อปัญญาเกิดแล้วก็จะมองเห็นชาติของตนว่าเราเกิดมานี้แม้ฟันซี่เดียวหรือผ้าสักผืนก็ไม่ได้ติดตัวมาเมื่อเรามาอย่างไรเราก็จะต้องกลับไปอย่างนั้นไม่มีอะไรติดตัวไปได้สักอย่างเดียวความดีความชั่วเท่านั้น ที่จะส่งคนให้ไปเกิดในคติดีชั่วสวรรค์หรือนิพพานเมื่อใครมาเจริญกรรมฐานอย่างนี้ผู้นั้นก็จะเป็นคนดีมีภาระน้อยเพราะเขาปล่อยวางมือทั้งสองข้างเสียได้จากการหิวผู้นั้นก็จะถึงซึ่งความสุขเท่ากับได้แก้วสามรัตนะเป็นเครื่องประดับตัวเมื่อจะเดินทางไปถึงด่านทางโน้นก็ขายได้ มีราคาจะใช้ประดับประดาอยู่ในบ้านก็สวยงามใครฉลาดมาบำเพ็ญการเสียสละปล่อยวางได้เช่นนี้ก็จะเป็นสาธารณประโยชน์เปรียบเหมือนทองคําของตนจะตกไปอยู่ในประเทศใดก็มีค่าอยู่เสมอไม่เหมือนกับธนบัตรซึ่งใช้ได้เฉพาะแต่ในประเทศของตนอย่างเดียวเท่านั้นเหตุนี้เมื่อใครมาทําจิต ปล่อยวางให้พ้นเสียได้จากการยึดหน้ายึดหลังยึดปัจจุบันแล้วผู้นั้นก็จะเปรียบเหมือนกับได้ทองชมพูนุษไว้ทั้งแท่งก็ย่อมจะมีแต่ความสุขทุกวันเวลาถ้าใครมายึดมั่นสําคัญผิดว่าเป็นของของตนแล้วก็ย่อมจะทําดวงจิตให้เร่าร้อนไม่มีความสุขเหตุนั้นท่านจึงได้กล่าวเตือนใจไว้ว่า ใครไปยึดถือในรูปนามและสัญญาทั้งหลายแล้วผู้นั้นก็จะต้องเป็นผู้หนักไปไหนไม่รอดในที่สุดก็จะต้องติดโลกตายเหมือนกับลิงที่ขโมยแตงในไร่ของตายายแล้วก็ต้องติดตังตายอยู่กับที่ดังจะได้ยกมาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ต่อไปมีเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งควรคิดเทียบเคียงในเรื่องความยึดถือว่าลําบาก เป็นทุกข์ทรมานมากน้อยเพียงไรมีนิทานเล่าไว้ว่ามีตายายสองคนอยู่ราวป่าใกล้ตีนภูเขาแห่งหนึ่งเกิดน้ำท่วมทุ่งนาทำนาไม่ได้จึงพากันไปทำไร่ที่เชิงเขาปลูกข้าวปลูกข้าวโพดปลูกถั่วปลูกแตงโมและแตงไทยพอจะได้อาศัยเลี้ยงชีพของตนแต่พอตกเวลากลางคืน ก็มีพวกเม่นพวกสัตว์มาคอยกินพืชผลอยู่เสมอทั้งเวลากลางวันก็มีนกมีลิงมีข้างมารบกวนในที่สุดสองผัวเมียจึงปรึกษากันว่าเราจะต้องไปนอนเฝ้าอยู่ที่ไร่ทำบ่วงทำหน้าไม้ไว้ช่วยป้องกัน ร, รักษากลางคืนเป็นยามวาระของสามีส่วนกลางวันเป็นยามวาระของภรรยาอยู่มาวันหนึ่ง ฝูงลิงข้างก็มารบกวนไล่ก็ไม่ค่อยหนีกระโดดไปต้นนั้นมาต้นนี้ทําท่าหยอกหลอกยายจนไม่มีเวลาที่จะได้พักผ่อนในเวลากลางวันยายจึงคิดอุบายแสวงหายางไม้ในป่ามาเคี่ยวให้เหนียวเป็นตังต้นไม้ต้นใดหรือตออันใดที่ลิงชอบไปอาศัยอยู่ยายก็เอาตังไปเที่ยวป้ายทาไว้ อยู่มาวันหนึ่งในเวลากลางวันก็มีลิงฝูงหนึ่งพากันมามากมายต่างตัวต่างก็คว้าลูกแต่งโมแต่งไทยกินกันจนอิ่มยังมีแม่ลิงตัวหนึ่งมีลูกสองตัวลูกตัวหนึ่งป่วยนางแม่จึงให้ตัวพ่อคอยเฝ้ารักษาไม่ได้มากับลิงฝูงนั้นส่วนลิงตัวเมียก็พาลูกอีกตัวหนึ่งห้อยอก ติดตามฝูงมหากินในเวลาวันนั้นก็นึกขึ้นได้ถึงลูกที่ป่วยอยู่ข้างหลังซึ่งไม่ได้มาก็คิดเกลียแตงไปฝากลูกและสามีของตนเมื่อตนกินอิ่มแล้วก็เอาแตงลูกเล็กๆอมไว้ในปากสองกระพุ้งแก้มเพื่อจะเอาไปให้ลูกแล้วก็กว้าเอาลูกที่เขื่องๆมาใส่ไว้ที่อกเพื่อเอาไปฝากสามีให้ลูกที่เกาะ อยู่ข้างหน้าไปเกาะเสียข้างหลังพอเตรียมตัวเช่นนี้แล้วก็พอดียายแก่ถือเสียมเดินมาเจอเข้าจึงขับไล่พวกลิงทั้งฝูงก็พากันตกใจต่างพากันวิ่งหนีส่วนลิงตัวนี้ก็กระโดดไปกระโดดมาเพราะความหนักแห่งตนหนักทั้งหลังหนักทั้งหน้าหนักทั้งปากร้องก็ไม่มีเสียงพอดี ก็กระโดดขึ้นไปนั่งบนตอตอหนึ่งซึ่งยายแกเอาตังไปทาไว้อย่างหนานุ่มยายแกคนนั้นก็วิ่งถือเสียมเข้าไปใส่ลิงตัวนั้นนึกจะ ก, กระโดดหนีจะเพะเยะตัวก็ไม่ขึ้นหางก็ไปขมวดม้วนอยู่กับตังจึงเอามือไปแกะตังออกจากหางมือก็ติดตังเข้าไปอีกอีกข้างหนึ่งก็ไปช่วยจับช่วยแกะ เห็นเหลวๆดำๆลองเอามาดมดูมือก็เลยติดกับจมูกเอาตีนข้างหนึ่งไปเกี่ยวข้างหน้าเพื่อจะยันให้ก้นหลุดจากตอก็ยิ่งติดเข้าไปอีกเ ป, ปะปากเอาตีนไปช่วยเช็ดถูตีนทั้งสองก็เลยติดกันเหมือนถูกมัดพะเยอตัวก็ไม่ออกนั่งกรอกหน้าเหมือนลิงนึกไปมาก็ก้มกัดด้วยปาก อย่างใจโกรธใจฉิวอยากจะกัดยายแก่แต่ก็ต้องก้มกัดตังฝ่ายายแก่พอเห็นลิงติดตังก็ร้องเรียกให้ตามาดูแล้วสองตายายก็ช่วยกันหักเอารังมดแดงมาเคาะใส่เอาไฟมาลนขนดุดขนล่วงทรมานตนอยู่บนต่อไฟสองตายายคนหนึ่งได้ด้ามจอบอีกคนหนึ่งได้ด้ามเสียม ก็ช่วยกันตีลิงนั้นจนถึงแก่ความตายทั้งแม่ทั้งลูกอย่างทรมานตนผลอันนี้ที่เกิดขึ้นได้แก่ความห่วงความอาลัยความยึดถือข้างหลังและข้างหน้าทั้งปัจจุบันคือลูกที่เกาะอยู่บนคอแตงโมที่อุ้มอยู่บนอกจึงต้องตกทุกข์ทรมานตนถึงเพียงนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ปล่อยวางสัญญาอดีตอนาคต ข้างหลังข้างหน้าขันห้าทั้งหลายปัจจุบันคือนามกับรูปรูปเปรียบเหมือนลูกแต่งที่อยู่ข้างหน้านามเปรียบเหมือนลูกที่อยู่บนคอเกาะอยู่บนไหลพ้นไปไม่ได้เพราะมีภาระอันหนักเมื่อบุคคลผู้ใดมีความยึดถือชื่อว่าผู้มีภาระอันหนักแม้อยู่ในโลกนี้ก็แสวงหาความดีได้ยากแม้ตายไปก็มีภาระอันหนัก ขวางอยู่ข้างหน้าฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปล่อยวางอย่าเข้าไปยึดถือในสัญญาอาดีตอนาคตปัจจุบันทำจิตอันนั้นให้เสมอเหมือนน้ำค้างที่อยู่บนใบบัวไม่รั่วไม่ซึมไม่เส่ฟจะถึงธรรมที่ไม่ตายหายจากความทุกข์ถึงบร ม, มสุขอย่างเลิศไม่ต้องมาเกิดมาตายในโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นสาธุชนพุทธบริษัท จึงสมควรจะหาหนทางลดหย่อนผ่อนเบาให้จงได้บรรยายมาในอุปทานขันก็ยุติลงเสมอเพียงเท่านี้